มันไม่ใช่อย่างที่เรามองเห็นว่าเออติดทำรูปแบบได้ถือว่าใช้ได้มันไม่เข้าถึงไม่ได้สารณะแล้วมันจะเผลอเป็นระยะระยะ ไ, ไหมเป็นไม่เป็นเป็นไหมนั่งอย่างเงี้เผลอไหมกิเลสมาแทรกเป็นระยะระยะไหมอย่างนี้สารณะไม่ได้ขาดนะแต่มีกิเลสมาแทรกเวลาไหนเวลานั้นหมองไหม่หมองเรียกเศร้าหมองเศร้าหมอง ถามว่าเศร้าหมองละไม่ได้ไม่มีอุบายวิธีละโกรดมันอีกตอนนั้นยิ่งเศร้าหมองใหญ่ไหมยิ่งเศร้ามองอีกถามว่าอันนี้การแค่จะฟังทำเพื่อถึงสาระยากไหมยากถามว่าละกิเลสกิเลสที่หนักกว่านี้ที่เราต้องการถอนรากถอนโคนเนี่ย ถ้าไม่มีข้อมูลจริงๆไม่ชัดเจนจริงๆไม่ฉลาดจริงๆจะถอนออกได้ไหมจะถอนได้ยังไงพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้ทอ้อพูดให้เพียนพูดว่าเราเพียนต่ำไปที่พูดเนี่ยเราเพียงต่ำไปเท่านั้นเองพูดตองการให้รู้ว่าเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความเพียงต่ำใช่ไหมล่ะทำไมความเพียนยิงต่ำเรามีข้ออ้างเยอะเวลานี้ยังทำงานอยู่ ไม่ควรประกอบความเพียรเวลานี้เพิ่งเลิกงานใหม่ๆไม่ควรประกอบความเพียรวันี้กินข้าวอิ่มใหม่ๆอิ่มใหม่ๆไม่ควรประกอบความเพียรเวลานี้เพิ่งอิ่มเสร็จแล้วหรืออิ่มมานานแล้วยังไม่ทําความเพียรก่อนต้องหาอาหารมื้อต่อไปเวลานี้จะเดินทางยังไม่ควรทาความเพียรมันมีข้ออ้างไปเยอะเที่สุดจริงๆก็คือกุศลไม่ได้จริงๆเข่าใจไมล่ะ เช่นตอนนี้เรายังทํางานอยู่แล้วยังเพียรเตรียมที่ไม่ได้เราให้ให้ออกจากงานก่อนก็เพียรเพราะออกจากงานไปเสร็จเริ่มป่วยโอ้ตอนนี้ยังป่วยอยู่เรายังเพียรไม่ได้แล้วรักษาโรคให้หายก่อนพอเห็นไหมเขาไม่ได้คิดแบบนี้พระเจ้าไม่ได้สอนให้คิดอย่างนี้พระเจ้าบอกเวลานี้เรายังทํางานอยู่แต่ถึงบางคราวนะเราจะปฏิบัติไม่ได้เราจะระดมความเพียรไม่ได้อยา ก, กันนั้นเลยเราต้องรีบระดมความเพียรณ์ขณะนี้เดี๋ยวนี้ ในการถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราก็จะต้องการเดินทางการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากมากอยากกันนั้นเลยเราต้องรีบระดมความเพียรที่สุดที่สุดเดชตอนนี้เมื่อเดินทางการปฏิบัติจะไม่สะดวกแม้ในขณะเดินทางอยู่เราจะต้องใส่ใจในความเพียรด้วยเพราะไปเดินทางสุดทางแล้วในส่วนจริงมันจะเหนื่อยจะลาก็จะระดมความเพียรไม่ได้เขาคิดนี้ตลอดนะแต่เรามันไม่ใช่อ่ะ การมาเพียนในที่นั้นเป็นการงานทางใจนะไม่ใช่เป็นความเพียนโอ้โหเป็นข้อคำักข้เม่นทางกายเพียนคือยกจิตออกจากบาปประคองจิตไว้ในบุญเนี่ยเขาเรียกเพียรแล้วก็เพิ่มพูนบุญต่ตําๆให้สูงยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นอย่างเช่นเอ้เพียนแล้วก็ยังไม่ได้สรารณะไ ม, ไม่ถึงหรือได้แป๊บหายตั้งแป๊บหาย ถามว่ามานะวันเนี้มาพิจารณาที่บอกว่าคัดฉาม่ที่แปลไปถึงรู้เข้าใจพุทธธรรมสังฆเป็นสภาวะแล้เป็นสาระที่พึ่งกระจัดภัยได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาปฏิบัติพระศิษย์ธรรมตามความภาคเพียรตามฉันทะที่มีกําลังตามความภาคเพียรที่มีกําลังตามสภาพจิตที่จดจ่อที่มีกําลังตามสภาพปัญญาที่ไข้ควรวิจัยที่มีกําลัง มีสมาธิที่ทตั้งมั่นแล้วก็มีความเพียรประคับประคอง ท, ทีนี้จนได้บรรลุผลของการปฏิบัติกิเลสเอาไงี้ว่าตอนนี้ตัญหาความยินดีความยินดีในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมันลดลงบ้างไหม พยาบาทไอ้ความหงุดหงิดแม้เล็กๆในน้อยนะมันถูกระงับลงบ้างหรือไม่ไอ้ตัวถีนมิทะไอ้ตัวเสื่องซึมท้อถอยตัวเกียรต้คานทั้งหลายเหล่านี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันกระมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้ดวดตัวเราตัวเองนะเพิ่มขึ้นมาเยโย รถหรือเพิ่มจริงหรือทำอยังไงถึงรถได้จริงทำยังไงจึงรถได้จริงทำยังไงถึงจะออกจาก ความเสื่อมซึมได้สะภาพจิต ท, ที่หดหูได้ให้ใส่ใจในไหนคิดถึงอะไรนี่ก็คิดถึงความเพียรเริ่มต้น <Yeah. S 1> ปกเงยคิดบอกว่าลองถามตัวเองว่าไหนความเป็นอุบาสกบาสิกาการเข้าไปใกล้พระรัตนไตรอ่ะเข้าไปใกล้เข้าไปถึงพระรดาณไตรอะถึงด้วยอะไร ถึงด้วยกายหรือถึงด้วยใจอตอนนี้กายมาเข้าใกล้หรือยังกลายแล้วเนี่ยกายเข้าใกล้แล้วใช่ไหมการฟังใกล้หรือยังใกล้แล้วแล้วใจละ่ะใจเปิดไหมสภาพใจเปิดไหมเปิดแล้วไหมหน้าเศร้าหมองอย่างนั้นทําไมหน้าเศร้าหมองอย่างนั้น ถามว่าหน้าเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นอกุศลนะเห็างน้นสภาพใจเนี่ยที่ว่าเข้าถึงเนี่ยเห็นศรัทธาในตนไหมเห็นเห็นศรัทธาศรัทธาตอนนี้ตอนนี้คิดถึงอะไรถามว่าการฟังธรรมะ การฟังธรรมะเนี่ยเรียกว่าเป็นการเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเขาฟังยังไงตั้งความคิดยังไงที่เขาเรียกฟังธรรมโดยเคารพเอาฟังยังไงถ้าในขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยประนมมืออย่างเงี้ยบอกคุณไม่ได้ต้องทําแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเคารพประนมมืออย่างนี้เลย แต่จิตพุกผ่านตลอดเวลาเต่านั้นราคะกุ้มลุมก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดมานะก็เกิดแต่ต้องตั้งใจอย่างนี้เพราะนี้แหละเ mm hmm. พราะหลักบอกว่าต้องต้องนอบนอบ้อมอย่างเนี้ยถามว่าตอนนั้นเรียกว่าเคารพไหม mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. สภาพราคะโทสะโมหะนี่เขาเรียกแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมานะทิถีเนี่ยเป็นสภาพแข็งกระด้างเป็นสภาพจิตที่หนัก เป็นสภาพจิตที่เป็นอกุศลธรรมอลามกมันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นพาระธรรมมันไปชมในใจตอนนั้นอะเรียกว่าไม่เคารพทำไมจึงไม่เคารพเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปหรือเจริญบาปให้ละบาปตอนนี้มานั่งฟังธรรมจะให้บาปเกิดนี่เราฟังธรรมโดยไม่เคารพบางทีเราเห็นกิริยาการเหมือนเคารพนะ เวลาฉีนามิท้าเกิดเนะ่เหมือนเขาลบเลยนะฟังไปพี่สงกเื้อเงื้อไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาลบไหมไม่เขาลบฉีนามิท้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่หนักหนักคาว่าหนักในที่นั้นก็คือมันกดสภาพจิตให้หนักแล้วสภาพรู ป, ปกายให้หนักตอนนั้นแปลว่าไม่เคารพการเคารพนั้นต้องปุ ก, กเล้าคุณธรรมขึ้นมา แล้วตั้งศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เราฟังธรรมโดยเคารพนี่เป็นอย่างนี้บางทีเราบอกเอ๊ะพุทธ卡尔าาวาตาเมื่อฟังธรรมโดยความเคารพเนี่ยรูปแบบก็จะเรียบถูกต้องเลยรูปแบบที่ตามมาจะไม่สิ้นความกลัวสิ้นความหวาดะดุง้งได้เท่าไหร่ ที่พระเจ้าตรัสบอกว่าตุมเหกิจจังอาตปังอาคาตาโรตทาคาตาปฏิปันนาปโมคันตีชายิโนโมารพันดนาพระเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเองเธอ เธอทั้งหลายจงตั้งฉันทะคือความรักความปรารถนาในพระตนตรเองเถิดเธอทั้งหลายจงทําความเพียรพยายามเองเถิดเพียรพยายามในการที่จะทํศรัทธาให้ตั้งมั่นประคับประคองวิริยะวิริยะประคับประคองศรัทธานั้นให้เด่นขึ้นทําสติ คือการระลึกมั่นในคุณกรรมรัตตนะไตรสมาธิคือความตั้งมั่นและปัญญาเนี่ยให้เกิดเองต้องทําเองแต่ถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกข้อปฏิบัติแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณขนาดนี้จะรออะไรอีกให้รีบระดมความเพียรเสียทําความเพียรเอง แต่ทําตามพุท ธ, ธโอวาทแต่คําว่าทําความเพียรเองเถิดเนี่ยไม่ใช่ไปเพียรแบบไล่หลักการไล่ข้อมูลเพียรเองไม่ใช่อย่างนั้นนะถามบอกว่าตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเนี่ยจิตอันใดที่เรากระทําพึงกระทําแก่พวกเธอจิตอันนั้นเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเล่าฉะนั้นเธอต้องระดมความเพียรอย่าได้มานั่ง เสียใจในภายหลังเสียใจก็คือพุทธโอวาสบอกอย่างนี้ก็ไปเพี้ยนไปอกย่างก็เพี้ยนผิดสิพระเจ้าให้เจริญสัมมาวยมามะตามพทธเจ้าไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉา ว, วยมามะใช่ไหมเพี้ยนก็ต้องตามพุทธโอวาสตรงนี้ก็คือว่าผู้ดำเนินตามทางนี้เพี้ยนเพ่งอยู่เนี่ยถึงจะพ้นจากเครื่องพันธนาการของหมานได้ ถามว่าตอนนี้เราถูกเครื่องพนันการของพยามานของมารทั้งหลายเนี่ยมัดไว้หมดเลยนะตอนนี้ถูกซัดถูกบุตรถูกภรรยาถูกสามีถูกเครื่องจองจําเต็มไปหมดเนี่ยถ้ามีคนบอกว่าเธอกําลังถูกเครื่องพนันการมัดมือมัดเท้าอยู่เนี่ยมีคนมาบอกอุบายที่จะออกเนี่ยจะแก้เครื่องผูกออกเนี่ย บอกเบเสร็จบอกให้เพียรตามพุทธโอวาสอย่างนี้นะแนะต่เราไปเพียรตามความเข้าใจของเรายุ่งเนี่ยยุ่งนะเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ถูกมัดตรึงอยู่นั่นแหละมันก็ออกไม่ได้หรอกก็วนวนวนววนวอยู่นี่แหละก็เราเอาใจของเราเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้เอาพุทธโอวาสเป็นตัวตั้งเนี่ยเราไม่ได้เดินตามพุทธโอวาสอย่างแท้จริงใช่ไหมลูกที่สจริงๆก็วนวนวนวนวนวนก็วนมานั่งแตะอยู่เนี่ยมานั่งแตะอยู่เนี่ย งั้นตรงนี้ก็ต้องต้องต้องเดินตามต้องเดินตามถึงทีทนี้ถามว่าเมื่อน้อมเข้าไปศึกษาน้อมเข้าไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรลําดับแรกเนี่ยเมื่อเข้าใจในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของความทุกข์เนี่ยพรเจ้าสอนทุกข์ใช่ไหมล่ะ เรลสอนทานากถาศี่รักถาสักขะคาถาการมัธยินวะกถาเน่ฆัมมานิสังสักถาถามหน่อยตอนเนี้ยจิตใจที่เป็นเน่ฆัมมะเนี่ยความคิดอยากออกจากกามของเราเนี่ยตอนนี้มากไหมเอายกมือที่มากไหมคือเบื่อหน่ายเหลือเกินในเรื่องของกามเบื่อหน่ายเหลือเกินเรื่องวัตถุ ก, กามเบื่อหน่ายเหลือเกินการมีทรัพย์การมีบุตรการมีภรรยาการมี ภาละเครื่องพันานาการทั้งหลายเบื่อมากไหมต้องยกมืออีกที่อยากดูที่เบื่อๆ เ, เนี่ยแล้วใครยังคิดว่าตนเองเนี่ยเนคขมา่าในใจยังต่าอยู่หมายความว่าโอ้เราต้องการยั ง, ยงจะหมกมุ่นอยู่กับการมาคุณนี่แหละเรายังคิดว่าเราจัดการได้แก้ไขได้บริหารได้ดูแลได้มีไหมที่ผ่านมาล้าก็แก้ไขได้จัดการได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย ทนี้ทําไมถึงถามอย่างนี้เพราะว่าพราพระพุทธเจ้าจะสอนทุกสมุทัยจะสอนทุกขัตริย์เนี่ยให้กับคนที่เบื่อใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะปูระดับพูดให้เข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็บอกผลของทานศีลด้วยนะว่ามันจะต้องได้สิ่งเหล่านี้นะประเสริฐเลิศขนาดนี้นะทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มันจะได้ได้มาเป็นอย่างนี้เบเซร็จเนี่ยเบเซร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ชี้เห็นโทษว่ามันมีเที่ยงยังไง มันวิบัติยังไงจั ก, กรพรรดิราดกระพังหมดแล้วแล้วมันไม่เต็มหรออยตัณหาเนี่ยอดูของใครถามว่าเราไม่เคยมีทรัพย์เราไม่เคยมีทรัพย์ทั้งแผ่นดินนในชาตินี้นะหมายถึงอดีตก็ว่ามาแต่เชื่อไหมพระเจ้ามันธาดุราชเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยปกครองโลกใบนี้ทั้งใบและประชากรทั้งโลกแล้วยังไปปกครองอุตรกุรุทวีปอีก โลกหนึ่งประชากรอีกด้วยปุภาวิเทหทวีปอีกโลกอีกใบหนึ่งประชากรทั้งหมดด้วยอปราโคยานทวีปประชากรอีกทั้งหมดด้วยพลนบอกว่าปกครองทวีปทั้งสี่แล้วทวีปน้อยอีกสองพันเป็นบริวารก็คือมีลิฟมีเดทมีอำนาจมีจักรแก้วมีจักรแก้วเดี๋ยวมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีคุนคลังแก้วมีนางแก้วมีคณาบุตีแก้ว มีปรินายกแก้วเห็นไหมก็คือมีมีผู้นำมีที่ปรึกษาอย่างดีมีราชประดุจทังราชกุมารคนโตสามารถจะไปที่ไหนได้เร็วอย่างมีฤทธิ์มีเดชปกครองได้ขนาดนั้นถามว่าตัณหาเต็มไหมไม่เต็มไม่เต็มนะข้านะข้าถามว่ามีที่อื่นอีกไหม ตอนนีนายกแก้วมารายงานว่ามีชั้นจาตุมก็โยนจักแก้วไว้ที่ชั้นจาตุม้มท้าวจ่าตุ้มหาลาัยก็ตับมากราบวงทูค ม, มทูลบอกว่ายกยกสวรรค์ชั้นจาตุมให้ป <c oughs> กครองสวรร์ชั้นจาตุม้มกิเลสก็ไม่เคยลดลราต้องดูเย่างนี้พอปกครองกิเลสชั้นจาตุม เ, เบียเศ็ปปบนะเข้านะเข้าเพราะอิ่มอยากได้ใหม่อีกแล้ว เบื่อมันไม่ใช่อิ่มมันเบื่อมไม่ใช่เบื่อเ น, น้นเนี่ยมันให้พบมันอยากจะได้ทิพนนีดจริงๆขึ้นไปถามทาาม้ทาจารุมท้าจารุมบอกว่าที่เดาวดึงโยนจักขึ้นไปบนดาดึงไปท้าลบกว่าท้าสกาท้าสกาบอกว่าไม่ลบดีกว่าเห็จนจะักมาเขามาขอเจราจางั้นแบ่งแบ่งเดาดึงให้คืน ไปบริหารอยู่ดาวดึงอยู่จนท้าสกะที่เป็นพระเจ้าวันตายไปเนปี่ยสามสิบหกองแต่ตัณหามันไม่เคยอิ่มตัวมันเลยอ่ะเห็นไหมนี่ไงตัณหานี่ไงเราอาจจะคิดว่าก็อุ้ยถ้าเป็นชั้นพอถ้าเป็นชั้นพอแล้วมันพอแต่ปากลองขั้งเกียตที่คนพูดพูดกันสิฉันไม่เอาอะไรแล้วฉันไม่ยึดมั่นแล้ว แต่ให้ลูกบริหารเรื่อยใช่ไหมล่ะแล้ว uh uh? ยังไปแอบบอกด้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ากิเลสหลอกตัวเองให้ออกจากที่ตรงนี้จริงๆสละจริงๆประดุดดังสเลตทิ้งจริงๆกล้าไหมล่ะก็ไม่กล้าไปชั่วพักชั่วคู่ได้ถามว่าเราโดนตัณหาหลอกหรือเปล่าเคยรู้ตัวเองไหม จะได้รู้จักว่านเนี่ยเนี่ยดูดูพระโพธิสัตว์ยกประเด็นใี้ดูเนี่ยเท้าสากัดตายไปสามสิบหกพระองค์ไม่พอนึกในใจว่าเออปกครองทั้งหมดเลยดีกว่างานนี้ไม่ได้แล้วค่าเท้าสากัดเลยดีกว่าี่สิ้นเรื่องสิ้นราวนี่พอตันหาเกิดในสิ่งใดแล้วมันจะยึดติดในสิ่งนั้นพอยึดติดเบียเศจโทสะจะเกิดในเรื่องนั้นง่ายถ้ามันไม่ได้ตามความปร า, ารถนาก็โกรธพอโกรธขึ้นมาไฟคือโทสะก็เผาท่านเอง ล่วงเลยถรงเลยล่วงจากล่วงจากดาวดึงตกมาในอุทยานตนเองในเนี้ยตกลงมาชมบูดวีบเนี่ยตกใจโอ้โหตายแล้วให้คนเขียนที่แผ่นจารึกเอาไว้เนี่ยพระเจ้าเอามาเล่าให้พุทธบริษัทฟังวันเนี้ยถามว่าเราเนี่ย เคยมีบุญขนาดนั้นน่ะตบมือสามครั้งเนี่ยฝนก็หาปะนะล่วงมาเต็มเหมือบุญบุญดีขนาดนี้ไม่อิม่มมันไม่อิม่ม ม, ม, มันไม่พ อ, อยอมมันมันหลอกสารพัดหมดไอ้ตัญหายมันเป็นตัวเป็นตัวเหตุของวัตทุกจะได้รู้จักมันจริงๆมันเป็นอย่างนี้มัน ถ้ามองอย่างนี้จะได้ชัดมันใช้จนตายโยมจาไว้ตั้นหาบงการชีวิตจนตายถ้าไม่ออกหนีมั น, นตายตายค้างานนะโยมทอดกระทอดกุ้ยแขกตายคาากระทะสอนหนังสือตายคากระดานตายคากระดานแล้วมันมีเงื่อนไขออกมาเป็นเสร็จบอกว่าอยากจะไปทำบุญต่อช่วยเขาสงสารเขา มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมันรู้สึกน่าสงสารหมดเลยทุกคนเนี่ยเหลือตอนคนเองตอนเองได้แล้ที่จะพอมีกำลังช่วยเขาได้ท่นหาที่ท่านไปปกครองเนี่ยท่านคิดยังไงท่านคิดว่าโอ้โหเราไปปกครองเราได้ทำความร่มเย็นให้เขาเราไปช่วยเขานะเนี่ยฉะนั้นท้าวสกกาปกคองดีสู้เราไม่ได้ต้องเล่า ฉะนั้นจัด ก, การค่าเสียเราจะปกครองทั้งหมดเพราะเราจะทําให้ประเทศเป็นหนึ่งเดียวมาแบ่งขั้วกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกฉะนั้นรวมเป็นประเทศเดียวเสียดูตั้หาหลอกใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วถามว่าหน้าการุณาเท้าพระเจ้ามันทาตุลาดไหมหน้าการุณาท่านไหม ตอนนี้พระเจ้ามันทาตุลาศไปไหนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึงน่ากรุณาไห ม, ไมไก็ขนาดบำเพ็ญบารมีขนาดนั้นยังท่าให้ตัณหาหลอกเป็นช่วงเป็นช่วงได้ขนาดนั้นแล้วเราอ่อนแออย่างนี้ล่ะถ้าไม่เดินตามพุทธโอวาทให้ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมีไหมที่จะไม่โดนตัณหาหลอกจะได้รู้จักหน้าตามันจริงๆว่า มันมาในคาบของมิตรแต่เป็นศัตรูที่ตัวร้ายกาศฉกาจรกันที่สุดมันมาในฐานะเหมือนมิตรเหมือนเพื่อนหวังดีอยากจะช่วยให้คุณได้เจริญกุศลจะได้ทำประโยชน์ประทถประโยชน์เนียหูเห็นประโยชน์ส่วนอื่นจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเขา เหมือนสมมติถ้าตันหาเกิดอาตมา ก, ก็บอกว่าโอ้โหพวกเราเนี่ยน่าช่วยเหลือมากฉะนั้นจะต้องมาบรรยายช่วยถ้าวางใจไม่เป็นตันหาเล่นคนพูดนะเล่นคนพูดเองนะดังนั้นถามว่าวเพราะฉะนั้นแหละเจ้าสำนักจึงเต็มประเทศไทย พู้เจ้าดูก่อนพิสูวทั้งหลายเราไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อมาเป็นเจ้าสำนักเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อมาเป็นเจ้าอกวาเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นอาจารย์ไม่ใช่เข้าใจคำนี้ไหมพระเจ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มาต้องการเป็นอาจารย์หรือมาต้องการเป็นให่เป็นโตไม่ใช่ แต่บำเพ็ญมาทั้งหมดเนี่ยเพราะขนสัตว์หรือสัตว์แล้วเราก็จะนิพพานแล้วเราก็ไม่อยู่หรอกเพราะเรารู้มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นความเจ็บปวดทีนี้ไอสภาพของความทุกข์เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องให้เข้าใจของตัณหา ว่ามันเป็นต้นเหตุเป็นเป็นต้นต่อของตัววัตถุถามว่าพอฟังอย่างเงี้ยเราอยากจะถอนตัณหากับทั้งรากไหมพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ายาทาปิมูรเอรอนนปดาเวดันเฮ ขินโนเปรุโคปุณเรวรุหะตีเอวัมปีตันหานุสเยอนุหะเตนิพัตติดุกามิดังปุณพุณังยาสาชัดติสติโสตามาณาปะจามาณาภูสามหาวันทิฏฐิทิฏฐิ สังกปาราคาิสิตาเป็นต้นเนี่ยบอกว่าพระเจ้าไปเห็นนางลูกสุกรเนี่ยตัวหนึ่งพระ อ, องค์ก็แย้มพระโอษฐ์บอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นนางลูกสุกรนี้ไหมภิกษุทั้งหลายพานนท์บอกเห็นพระเจ้าค้าเธอไม่รู้ต่อมาพาน น, นก็กราบทูลถาม ท่านก็ท่านแย้มพระโอษฐ์ไปเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านางลูกสุกรนี้สมัยพระกากูสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้านะนางลูกสุกรนี้เป็นแม่ไก่นู่นพุตรจากสี่พระองค์จากพระองค์ไปเป็นแม่ไก่กําลังฟังพระสาธยายวิปัสนาญาณสติปัฏฐา น, านฟังฟังฟังฟั ง, ฟงไปเ อยูดด่ดีๆนะเหยี่ยวเฉียวปุ๊บคอขาดเลยดูบาปนี่นะตายจากนั้นเบ็ดเสร็จปุ๊บไปเกิดเป็นทิดาของกษัตริย์ดูสังสารวัฏสิ่งต่อมาจากอัจยาศนั่นแหละเอาไปนับถือละทิผิดไปถือละทิผิดด้วยนะ ไปทําปฐมฌานให้ตั้งขึ้นได้ด้วยดูสินะอัธยาศัยฟังได้ได้ฟังอัธยาศัยนะั้นนะฟังถูกแต่ไปเถืออาจารย์ผิดแต่ไปได้ปฐมฌานใะนละที่ที่ผิดนี่นะยังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นต่อมาสิ้นอายุไขไปเสร็จไปเกิดเป็นพรหมไม่ไเกิดเป็นพรหมต่อมาแต่นี่ยาวเลยตัวเนี้ยจากพรหมหมดอายุจากพรหมเวียนไหวาตายเกิดสังสารวัตรไม่นับแล้วตัวเนี้ย เป็นมนุษย์เป็นเทวดาบ้างโดยมากลงมาบริพุทธมิสรพัฒน์นี่ตอนนี้เป็นลูกหมูตัว น, น้อยๆวิ่งอยู่เอาแล้วเราเห็นเต็มไปหมดเราจะว่ายังไงเคยสะเทือนใจไหมไอ้ตัญหาเนี่ยเคยสะเทือนใจไหมมันเรานียเนี่ยเราเคยเป็นและเราจะต้องไปเป็นเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมเราเคยเป็นแลวจะต้องไปเป็นเราเนึกว่าโหตอนนี้เราเป็นผู้บริหารเนี่ย ก็นี่ไงถามว่าเป็นเป็นพรมเนี่ยใหญ่กว่าผู้บริหารไหมแต่ตอนนี้มาเป็นลูกหมูน่าสลดจใจไหมเล่าแล้วต่อมาพอพ อ, พอหลังจากพระเจ้าเทศเรื่องนี้จบเบรศเสร็จนะพระได้บรรล้กันไม่รู้เท่าไหร่เขาเบื่อหน่ายสังสารวัตกันเนี่ยนะ บรรลุ ก, กันไม่รู้เท่าไหร่เบียเต่อมาเรื่องนี้จบแต่งลูกหมูตายพอตายเบ็จเศตไปเกิดเป็นมนุษย์หมุนเนี่ยสูงไปเกิดในภารณาสีบ้างไล่ไปตามลำดับปุ๊บปุ๊ บ, ป, บ, ป, บ, ป, บ, ป, บปุ๊บ๊จนพระพุทธเจ้า ป, ปรินิพานไปแล้วมาสมัยพระเจ้าอธิวาณามียดิสัก เกิดอีกสูงสูงต่ำต่ำอีกประมาณสิบสามอัตภาพมาเกิดที่ลังกาเนี่ยที่ลังกาทวีปเนี่ยได้เกิดเป็นบุตรสาวของในในในที่ลังกาตอนนั้นมหามาดเขาไปเยี่ยมเป็นดินเนี่ยไปเห็นเข้าเกิดรักรักเบียเศ็จก็ไปสู่ขอสวยงามมากเป็นธิดาของน า, น, านายบ้านนั้นแล้วเอาไปแต่งงานไปอยู่ด้วยต่อมาพระอตุลามหาเทระ พระเถระที่ท่านเป็นพระอรหันได้พิญญาเนี่ยท่านไปนบินทบาตพร้อมด้วยสัว์ที่วิหาริของท่านพราะท่านเห็นปุ๊บท่านอุทานเลยท่านระลึกได้โอ้ท่านทั้งหลายนางลูกสุกรมาเกิดธิดามาเกิดเป็นภรรยาของมหาหมาัดแล้วน่าอัศจรรย์น่าสังเวชนะักนางได้ยินแค่เนี้ยนางได้ยานนางได้ยานเป็นเหตุแห่งระลึกชาติได้ กราบเท้าสามีกราบเท้าสามีบอกขอบวชเธอไม่ไหวแล้วมันเห็นโทษเนี่เห็นโทษเนี่ยแล้วลึกชาติได้เห็นโทษตนเองมาจากลูกหมูมาจากลูกหมูตัวนั้นเนี่ยมันน่าสลดนะเนี่ยมาขอบวชแล้วต่อมานางก็ฟัง สติปฐานสูตรได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วต่อมาเนี่ยนางมาฟังอาสีวีปมาสูตรพูดเรื่องโทษโทษของดินน้ำไฟลมคือคืองูสี่ตัวเนี่ยมันคอยฉกมันคอยกัดอยู่ตลอดเวลานี้เดี๋ยวต้องไปบีบไปนวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้งูเนี่ยงูมันกัดเธอเห็นโทษของรูปรขัน เห็นโทษของรูปประคันทาไมบอกเห็นโทษเป็นรูปของรูปประคันเนี่ยก็เอกคาว่าชาติทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์เอเนกประการเนี่ยความความเกิดเนี่ยท่านแบ่งซอยนะว่าเวลาเกิดขึ้นมาในขณะปฏิสนธิครั้งแรกในครันของแม่เนี่ยเขาเห็นทุกข์นี้อภะกะกานติกามุระกะทุกข์อะทุกข์ที่เกิดจากการเกิดในครัน การเกิดในครรภ์เนี่ยอยู่ในที่อันแสนจะคับแคบอึดอัดมืดตื้อแออัดเนี่ยแออัดขนาดไหนแออัดยัดเยียดไปด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจ ด, ดุจหนอนในของเน่าหรือในน้ำำําคําเธอเข้าใจไหมเข้าใจสอย่างกระนอนในน้ําคําเนี่ยอย่างไอตัวหนอนลเล็กๆเนี่ยโย่อยู่ในท้องอยู่ในมดลูกของแม่มืดตื้อด้วยอึดอัดก็อึดอัดไอเราเป็นสัตว์ประหลาดอยู่ในนั้นเนี่ย อยู่ในนั้นนะ่ะก็เห็นในทุกข์ตัวเนี้ยประการต่อมาเนี่ยขัาพเจ้าบริหารและนะ้วนมูระกับทุกข์อะไรบ้าทุกข์ที่เกิดจากการบริหารคันมารดาขยับขยืขย่อนแล้วตัวนี้ยเวลามารดาขยับแม่ขยับขยืขย่อนเนี่ยแล้วเราอยู่ในคันเนี่ยเคลื่อนไหวลุกบ้างนั่งบ้างวิ่งบ้างแรงบ้างเบาบ้างเนี่ยการกินของร้อนของเย็นเป็นต้นกินของเผ็ดของเปรี้ยวบ้างเนี่ยถามว่ามีผลกระทบต่อเด็กในคันไหม ทรมานเจ็บปวดทุกตรงเนี้ยมันไม่ปรากฏแก่ใจของเราแล้วเรามันไม่ถ่ายถอนเราไม่เคยเห็นว่าไม่น่าเข้าไปอยู่อีกแล้วเนี่ยไม่อยากจะกลับเข้าไปนอนในคันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดรอบรู้ทุกเนี่ยเอาอะไรไปรู้เอาญานปัญญาไปรู้มันจะได้สะดุ้งสะเทือนแต่อย่าเอาโทสะไปรู้ถ้าเอาโทสะไปรู้มันจะเครียด แต่ใช้ยานปัญญาไปรู้ว่ามันทุกข์มันทรมานคนตั้งครันแต่ไม่เคยรู้เด็กในคันมีทุกข์เนี่ยทั้งทั้งที่เราตั้งคันกันมาเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่ามันทุกข์้าพระวิปัติมุรากทุกทุกข์ที่เกิดจากความวิบัติของครันนะท้องนอกมดลูกเด็กตายในครันต้องถูกผ่าตัดออก ถูกทำแท้งถามว่าที่พูดมาทั้งหมดนะเราเนะี่ยเราเคยถูกผ่าตัดออกเราเคยคลอดนอกมดลูกเราเคยถูกทำแท้งเราเคยถูกตัดแขนตัดขาอยู่ในท้องถูกฉีขาออกมาถูกบางทีตาบอดนี่ไงที่ผ่านมาและที่จะไปเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละ นี่ไงพวกสมาทานการเกิดตั้งใจที่จะไปเกิดวิชายน้มูรกทุกทุกที่เกิดจากการคลอดถูกรถกร ะ, ท, กร ะ, ท, กระ ท, ทุ้งถูกกระแทกถูกกระทุ้งถูกกระแทกพลิกขันทั้งถูกกดถูกบีบถูกอัดจนกว่าจะผ่านช่องอันแสนจะคับแคบออกมาได้ ประดุดช้างออกในช่างดช่องดานนี้เล็กๆกลัวจะออกมาได้นี่ไงแต่เราก็เห็นไหมไมคนละกิจ ก, กรรมเลยนะพวกเราเนี่ยคนละกิจ ก, กรรมเลยนะเอากล้องไปค่อยถ่ายลูกออกมาแล้วตั้งท่าดีใจเราไม่เห็นว่าลงลงเชือด เราไม่เห็นโรงฆ่าสัตว์อยู่ในช่องคลอดเราไม่เคยเห็นโรงฆ่าสัตว์อยู่ในนั้นหรอกถามว่าเด็กที่ตายในคันเนี่ยมากกว่าเด็กออกจากคันนั่นคือโรงฆ่าสัตว์ เ, เด็กที่จะวิ่งรอดออกจอากโรงฆ่าสัตว์นั้นน่ะเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยแต่เราไม่เคยเห็นเราเป็นนึกว่าเป็นที่ดีไ ง, งที่ตรงนั้นเขาเรียกโรงฆ่าสัตว์ นลงฆ่าสัตว์เยอะบางเด็กบางคนเนี่ยมาถือปฏิทินที่วันสองวันตายสามสี่วันตายห้าวันตายที่แม่ไม่เคยรู้เลยมันมาถือปฏิสันที่ในมัดลูกเราเนี่ยกรรมต่างๆบ้างการบริหารคันตนเองไม่ดีบ้างการไม่รู้ว่าตั้งคันบ้างมันหลุดรอยไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ นั่นคือลงฆ่าสัตว์จริงๆแล้วคือลงฆ่าสัตว์สัตว์ที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลุดมาได้เพราะกุศลกรรมคุ้มครองแต่ออกมาก็ยังประหม่เป็นอยู่นี่แหละแล้วยังพร้อมอยากจะกลับไปเกิดใหม่บางคนก็ไปอยากไปอ้อนวอนว่าเออขอให้มาเกิดในลงฆ่าสัตว์นี้อีกเถอะน่าเจ็บปวดไม่ชีวิตเนี่ย พุกที่เกิดจากการออกภายนอกเนี่ยเด็กแรกคลอดเนี่ยมีร่างกายและผิวละเอียดมากเหมือนแผลใหม่ถูกสัมผัสจับต้องเช็ดล้างแสนจะเจ็บปวดทรมานเนืบางคนออกมาน็อกเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันสลกออกมาแล้วก็เอามาขย่าวขย่าวขย่าวใช่ไหมล่ ขอยอมลองลองไปอยู่ในหายในตุ่มแล้วให้คนกลิ้งดูนลทรมานไหมนะที่ลุกๆุกนั่งๆั่งยืดยืเดินเดินไปไม่เป็นเลยโยมไปไม่เป็นหรอกทุกที่เกิดจากการทำตัวเองเช่นฆ่าตัวตายเนี่ยประพฤติผิด ประพฤต์ทรมานตนทำตัวเองแท้ๆพุทธโอวาทบอกอีกอย่างแล้วก็มาทำทรมานตัวเองอีกอย่างเนี่ยเราเข้าใจว่าทำแบบนี้มันจะพ้นทุกข์ไงปฏิบัติผิดไปโอตอนนี้ไปทั่วเลยในมั่วไปหมดชีวิตนะออกจากทุกข์ไม่ได้เองเพราะไปเข้าใจความคิดตัวเองไงปฏิบัติไปสิพุทธโอวาทตรัสรู้หนทางเปิดทางให้ไม่เดินแล้วมันช้า เดินเอาเองดีกว่าคิดเอาเองบ้างเข้าใจยังไงเดินมั่วเวลาแบเนี้เต็มแผ่นดินหมดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฆ่าตัวตายบ้างทรมานตัวเองบ้างโกรธเคืองเป็นเด็กๆโกรธใครก็ไม่กินข้าวทรมานตัวเองจำได้ไหมไอเด็กคนนั้นนะ่ะถ้าโกรธน้อยไม่กินข้าว ใครทำใครทำใครทำแล้วมันเป็นข้อปฏิบัติถูกไหมม่ถูกใช่ไหมโกรธทำร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตายอยากทุบตัวเองเครียดโกรธทำตนเองให้กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทใครทำใช่การเกิดไหมมันถึงเป็นแบบนี้ วิ่งพลาดไปหมดแหละใช่ไหมใช่กอดใช้ขึ้นมาทีก็มือทบหัวตัวเองตุ ก, ตกเคยทำไหมล่ะเคยเห็นคนไหมล่ะเป็นแบบนี้ไหมล่ะทีอกชกตัวล่ำหาไปทีนี้อีกอย่างนึ้งทุกที่เกิดจากคนอื่นทำไม่ต้องนต่ทำตัวเองถูกฆ่าถูกจองจำใช่ไหมถูกกัก บ, บริเวณ ถูกไม่ให้เข้าประเทศเอะไรสารพัดไม่รู้ใช่ไหมล่ะนี่มันมาจากการเกิดแท้ๆนี้มันถึงลําบากอย่างเงี้ยถูกจองจําถูกกักบริเวณสารพัด <c oughs> ถูกล่ามโซ่ถูกเขี้ยนถูกตีถูกกระ น, นาสารพัดหมดเลยนี่มันมาจากอะไรนี่ไม่ใช่ทุกไหมซึ่งเราเห็นกันเต็มไปหมดนี่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ในฉานเราเห็นไหมตอนเนี้ยเห็นไหมล่ะ ถูกขังถูกส่งเข้าไวขายไปตามถนนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วรถวิ่งผ่านหน้าไปทั้งเป็ดทั้งหมูทั้งกวัวทั้งควายมันสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นนะจาไดไ้แล้วจะต้องไปเป็นอีกนะ ก, กิเลสในใจมันยังไม่ถูกกระชากออกมาเนี่ยอันนั้นคือตัวต้นเหตุใหญ่ ชะาทุกได้แก่ความแก่ได้แก่การทําอาวัยวะหย่อนอ่อนแออินทรียตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายทําหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนหนีอยังตอนเนี้ยตอนนี่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบกพร่องนี่ยังผิดเพี้ยนนี่ยังกําลังวางช้าเสื่อมถอยได้ยังหมดความคล่องแคล่วว่งวองไวได้ยังผิวพรรณเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมนี่ไงชะลาทุกไม่พองใสหน้าก็หนังก็เหี่ยวย่นความจําเป็นยังไงตอนเนี้ย บางทีหน้าก็ไม่ได้หลังมันก็ลืมหมดเนี่ยอย่าว่าจะได้หน้าลืมหลังนะั้นหน้าก็จําไม่ได้ด้วยนะพูดปับดป๊บลืมพูดปั๊บลืมแล้วก็บอกว่าฉันไม่ยึดมัน่นไม่ยึดมัน่นอันนี้ไปเป็นเรื่องเลยแต่เนี้ยถ้ามองอย่างนี้น่าสลดใจไหมละ่ะดูเหมือนไม่ยึดมั่นไหมแต่อยู่บนความยึดมัน่นยึดมัน่นบางคนเนี่ย อายุมากแล้วโอ้ยฉันไม่เอาอะไรแล้วแต่ตายังมองล็อกแรกล็อกแรกตรงนั้นหยิบให้ดีนะตรงนั้นจับให้ดีนะใช่ไหมล่ะมันไม่เอาอะไรเนี่ยนี่ทำให้เรียบร้อยหน่อยนะทาให้เรียบร้อยไม่เอาอะไรแล้ว <laughs> ใช่ไม่ใช่บางคนไม่รู้นะว่ากิเลสหรอกนะไม่รู้หลอก ฉันไม่เอาอะไรหมดแล้วอะไรยกให้เ้าหมดไม่เอาอะไรไม่ย็ดมั่นถือมั่นถามว่ากิเลสจริงๆมันถูกถอนจริงไหมม่มีเงื่อนไขอยู่ไหมยังต้องการการยอมรับอยู่ไหมอะไรคือการต้องการการยอมรับกิเลสต้องการการยอมรับ แต่วพูดอย่างนี้ยดูดูแล้วถอนยากไหมถ้าเดินตามพุทธโอวาสยากไหมมันไม่ได้ยากนะถ้าเดินตามพุทธโอวาสจริงๆไอ้ที่มันยากเนะี่ยที่ผ่านมามนเดินผิดพุทธโอวาสคนที่เขาเดินตามพุทธโอวาสแต่เขาใช้เวลาไม่นานเลย